ที่เราคิดพิจรารณาลงไปเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะนั้นได้นะแต่สภาวะแห่งการรู้เนี่ยจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยสภาวะอันนั้นจะเป็นของผูกรู้คุณผ้ชมออตอนที่ไปกาดหลงปู่ปู่ปี26ก่ อ, อ, อกนะท่านยรดาภาพแต่ว่าไม่ใช่ท่านสดท้ายที่ไปกาดนะคะก็ได้เล่าถึงสภาวะที่เกิดขึ้นเ่อตอน ช่วงชวงความง่ายนั้นก็เดือนหนงเดือนนะคะคือที่หลวงพ่อผู้รู้เห็นตามคุณครับมแหะแล้วก็งเนป็นตามตามแลมันก็หยุตามแลนก็หยุีเหลวงพ่อบอกแต่ภายหลังมันจะยุมันจะไปเรื่อๆเสิมแล้วมันลงไเป็นเดิมพูดคือแอันนี้มันเห็นตัวผู้รู้ใาใช่ใชับอารมณ์รู้เนี่ยมันจะหมันันันไม่ใช่ไหวมันเห็นภาพนั้น S <S นี่พอทำมันขยับปผู้รู้ทันมันก็ไม่ใชอ่ า, อา้ไอ้สมณะกับเราเห็นผู้รู้แล้วเเรามีผู้รู้นะไอ้นั่นถูกรู้อย่างน่าเห็นอย่างน้นะเห็นแล้วจะเห็นสภาวะของอารมณ์แต่ละตัวยึดยับไม่เหมือนกัน น, นะบางทีออกทางนี้ก็มีนะเป็นเล่าให้คุณ แ, แม่กันมีน้องหนตาคะเเห็นภาพเดียวกันใช่หอ ไม่เป็นสาฟ้าเอออะไรอเป็นสาฟ้าเห็นเราได้เห็นเอ้ยเป็นกางบาเภาพให้เห็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเห็นนะไม่ต้องตกใจนะใครไม่เห็นน่ะไม่จําเป็นอันนั้นทั้งหมดเป็นสุกลุ้นเนี่ยอาตมาไปฟังหลวงปู่มานะหลวงปู่บอกให้อยู่จิตมานั่งดูแล้วเห็นเนี่ยที่อาจารย์เห็นเนี่ยดูอยู่สามเดือนแลยโอ้โหแตกฉานมากเลย รู้มันยึกยักได้หลายแบบไปกราบเรียนหลวงปู่บอกหลวงปู่ผมเจอจิตแล้วเนี่ยมานั่งดูท่านถามจิตเป็นยังไงบอกโอ้มันยึกยักยึกยักหลายแบบนะท่านสอนจะสเสืออกเลยไปดูใหม่ <c oughs> ไม่ใช่จิตหรอกไอ <c oughs> นั่ น, นมันอาการของจิตอาการใงจิต ข้อข้อกำหนดของท่านตามนี้สือเป็นทฤษีหลับ้างที่ที่ทำให้ให้รู้รู้เท่าที่มันเป็นมไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วก็ไม่ต้องตัดอะไรเ<ม>พวาเร า, าเรูแล้วเติมไม่เติมกใช่ถ้าเปเจอดีก็ตัดเป็นเจิ่งดก็จะเติมี่ขึ้นเป็นปน้นใชถ่ถ้าไม่เห็นติ คือโดยธรรมชาติของพวกเราผู้ปฏิบัติเนี่ยนะเราจะชอบอย่างหนึ่งแล้วก็เกลียดอย่างอื่นๆเนีนะ่ยลึกๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเราชอบอะไรพวกเราชอบความสุขเราไม่ชอบความทุกข์ถ้าความสุขมาเราจะชอบมีปีติมีสุขจะเอาถ้าเมือ่อไหรจิตไปทุกข์นะจะหาทางแก้นะเราชอบดีไม่ชอบเลวจิตเป็นบุญเป็นกุศลเราชอบจิตอกุศลไม่ชอบเพาะคิดว่าอกุศลไม่ใช่ธรรมะ ความจริงอกุสลก็เป็นธรรมะเหมือนกันเรียกว่าอากูศนธรรมและอกูสนธรรมก็แสดงลักษณะเท่าเทียมกับกูสนธรรมแสดงไตรลักษเท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นกูศลหรืออกุศลเนี่ยนะถ้าเราเจริญวิปัสสนานะีมันเท่ากันต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเท่าๆกันถ้าใจชอบอันนี้เกลียดอันนี้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลาง แล้วนะมันจะเป็นจางของมันเองนะจับหลักตรงนี้ให้แม่นๆ แ, แล้วอีกอย่างหนึง่งนะนอกจากจะรักสุขเกลียดทุกนะรักกุศลเกลียดอกุศลเรายังรักที่จะเพ่งเข้าข้างในกลัวจะหลงออกข้างนอกนะยิ่งลูกศิษย์ทางสายสุรินเนี่ยหลวงปู่สอนบอกย่าส่งกิจออกนอกก็เลยพากันส่งกิจเข้าข้างในเนะข้าไปเพ่งอยู่ข้างในหนะลวงปู่ไม่ได้สั่งสอนบอกให้เพ่งเข้าข้างในสักหน่อย เราจะคิดว่าออกข้างนอกไม่ใช่ธรรมะเข้าข้างในเป็นธรรมะนะอะไรที่ละเอียดละเอียดดีเป็นธรรมะอะไรที่หยาบไม่ใช่ธรรมะนะเราจะให้ค่าชอบอันนึงเกลียดอันหนึง่งเป็นคู่คูนะ่รักสุขเกลียดทุกข์นะรักดีเกลียดชั่วนะรักละเอียดเกลียดหยาบรักธรรมะภายในเกลียดธรรมะภายนอกเราจะไม่มีวันช่องใจธรรมะได้เลย ถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้ารู้ลงไปทุกทุกอย่างที่เป็นทุกทุกทุกอย่างแสดงไปลักเหมือนกันคือเราดับเหมือนกันหมดเลยแล้วถ้าจิตไหลเข้าไปยึดนะจิตทุกเหมือนกันหมดเลยแต่ทุกไม่เท่ากันนะยึดของละเอียดก็ทุกแบบคนละเอียดยึดดีก็ทุกแบบคนดียึดชั่วก็ทุกแบบคนชั่วก็ทุกสาหัะหน่อยแต่ทุกนะ งั้สร้างรู้ลงไปใจถ้าใจไม่เป็นกลางเนะีย่ยใช้ไม่ได้ต่ไม่เป็นกลางก็อย่าบังคับให้เป็นกลางอีกนะไม่ใช่เป็นกลางถึงจะดีไม่เป็นกลางไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วดูทุกอย่างนย่เข้าเทียมกันไปตามที่มันเป็นตามที่มันปรากฏอย่างเราเห็นสุขกับทุกขนะ์สุขเกิดทุกข์เกิดนะเกิดระดับเหมือนกันทั้งคู่ นะดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนอย่างทั้งคู่ถ้าใจของเราไม่เป็นกลางเห็นความสุขเห็นความดีเราชอบอยากรักษาอยากรักษาทุกข์นะเห็นอกุศลอยากแก้ไขยอยากทํำลายทุกข์ละทุกซับตอนอะไรก็นเนี้ยแต่พอเรารู้ว่าใจของเราไม่เป็นกลางรู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางรู้อารมณ์นะจิตไม่เป็นกลางเนี่นะจิตมันจะเป็นกลางของมันเอง อย่าไปพยายามให้เป็นกลางนะพอเราเข้าถึงความเป็นกลางเราก็จะอยู่เหนือสุขเนอือทุกเหนอือดีเหนือชั่วเหนือหยาบเหนือละเอียดเหนือภายในเหนือภายนอกเนี่ยธรรมะที่เป็นกลางหลวงปู่เทศสรุปบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหมายถึงอะไรพ้นจากทุกข์เพราะเป็นคนชั่วพ้นจากทุกข์เพราะว่าเป็นคนดี คนจัทุกข์เขต้องไปรู้อารมณ์หยาบๆเขาไปรู้อารมณ์ละเอียดอย่องบบางนี้การประยุกต์คำเราวิ่งต้องแยกทั้งกายทั้งจิตสำคัญที่สุดไม่ใช่าาคือคืออย่างนี้อาจารย์เราได้ยินสติปัฏฐานสี是是่ใช่ไหมกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่พวกเราเป็นครูนี่พูดง่าย น, นี่มันคือคำที่ สนที่กันกายกับอนุปัสนาใช่ไหมเวทนากับอนุปัสนาะจิตกับอนุปัสนาก็เป็นจิตตานุปัสนาทําการอนุปัสนาคําว่าอนุ ป, ปัสนาแปลว่าอะไรปัสนาคือการเห็นนะั่นเองการรู้การเห็ น, รรหนอนุปัสนาคือการตามรู้ตามเห็นตามที่มันเป็นนะเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสนา นะทำสติปัฏฐานเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสนาใช่เรารู้การยืน น, นั่งเดินนั่งนอนรู้ไปเรื่อยไม่เผลอสติปัฏฐานสนีะ่ท่านทำท่านสอนไว้ในคำพีชั้นอัตตถาบอกสติปัฏฐานสี่ทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนม่ไ้ทำเพื่ออย่าง อ, างอื่นนะเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะก็จะรู้ท่องทันความปรุงแต่งนะเพราะงั้นอย่างไรก็ลงมาตรงที่จิตนั่นแหละ พาเราเบื้องต้นเราเห็นกายเมื่อเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกแลนะเห็นเวทนาเกิดแล้วดับเห็นจิตเกิดดับเข้ารู้ตามรู้ไปเรื่อยๆมันต้องเกิดก่อนแล้วถึงจะรู้บางคนบอกเอ๊ะทำไมดูไม่ทันสักทีอย่างโกรธเนี้ยต้องโกรธก่อนแล้วถึงรู้ว่าโกรธใช่ไหมจะไปรู้ก่อนโกรธได้ไหมไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้โกรธนะอนุปัสสนาก็คือตามรู้ตามที่มันเป็นพอตามรู้ตามที่มันเป็นแล้วมันจะ เก้าวขึ้นมาถ้าเราไม่เผลอไม่หลงมีสติสมัมปชัญญะมันจะก้าวไปปูวิปัสสนาได้คือเราจะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างที่เกิดนั้นแสดงลักษณะร่วมกันแสดงไตรลักษณ์ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับนะจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอไปเกิดแล้วก็ดับนะบังคับไม่ได้สังานเลยจะบังคับให้จิตมีความสุขตลอดก็ไม่ได้ แค่ทุกข์ตลอดก็ไม่ได้ที่จะเห็นใจรักเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นั่นนี่ตัววิปัสสนามาเห็นกันตรงนี้เพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยตามทำอนุปัสสนาจิตใจมีความสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้นะจิตมีราคะร่วมมีราคะมีโทสะร่วมมีโทสะเข้ารู้ไปเรื่อยรู้ไปมากๆในที่สุดก็จะเห็น ว่าราคะก็ไม่ใช่ตัวเราโสราบัก็ไม่ใช่ตัวเรากายอย่างเรารู้กายกายก็ไม่ใช่ตัวเราเีนะ่ก็มีจิตมีจิตกับกายพอทํากายยาทุกศาสนาก็มีจิตกับกายกายถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ทําเวทนาก็มีเวทนากับจิตนะทําจิตสารทุปัาสนาก็มีกุศลกักุศลกับจิตเนะมีจิตอยู่มีจิตแล้วจะเห็นอะไรต่อไป ถัดจากการเห็นไตรลักษณ์เี่ยถ้าปัญญาแก่รอบขึ้นไปจะเห็นอริยสัจคือจะเห็นว่าบรรดารูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายที่เป็นสภาวะที่มั่ปรากฏเหรือที่เราบังคับไม่ได้นั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกเราจะทุกข์ก็เมื่อจิตของเราเนี่ยพยายามเข้าไปยึดปัญหาเกิดขึ้นคือความพยายาอยากเกิดขึ้นแล้วเข้าไปยึดอารมณ์เนี่ยจิตเึงแคเกิดความทุกข์ รเราเห็นอริยสั์แห่งจิตที่หลวงปู่ดูลสอนนั้นเ่งเพราะฉะนั้นการมีปัญญาเนี่ยมันจะมีสาขั้นนะในตำราเขาก็มนะีขั้นที่หนึ่งเขาเรียกย า, าเรียกยาตะปริญญารู้ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาความโกรธฝุธขึ้นมารู้นะรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดรู้เนี่ยรู้ไปอันใดอันหนึ่งก็พอ อันที่สองมีเขาเรียกว่าปีรณาปริญญาคือเห็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดมาแล้วเราไปรู้นะนะั่แหละเป็นไตรลักษณ์ปัญญาขั้นสุดท้ายเรียกว่าหาหนาปริญญาตัดตัดทําลายความยึดถือเพราะเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปยึดเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์นี่คือเห็นอริยสัจนะเพราะงั้นปัญญานี้มีสามขั้นเห็นสภาวะก่อน เห็นมากๆากด้วยจิตใจที่ถูกต้องนะรู้ตัวเป็นจะเห็นลักษณะที่เห็นไตรละกษถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นอริยสัจเห็นว่าทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏยังไม่ได้ทําให้เราทุกยึดเมื่อไหร่เราถึงจะทุกงั้นหลวงปู่ดูเนี้สอนแบบหักหานสอนเข้ามาตรงอริยสัจแห่งจิตเลยถ้าจิตเข้าไปยึดเราจะทุกอัตมาเคยถามหลวงปู่เหมือนที่อาจารย์ถาม ว่าเอ๊ะผมดูจิตยอยู่องนี้แล้วจะต้องพิจารณากายไหมภู้มาการทุกองพูดเรื่องกายหลวงปู่บอกว่ากายมันของชิงเขาพิจารณา ก, กายเพื่อให้รู้จิตพิจารณากายเพื่อให้รู้จิตจิได้เห็นอริยสัจถ้าเราเห็นจิตอยู่แล้วจะทํากลับไปทําไมนะเหมือนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วจะขอไปเรียนมัธยมให้ภูมิความรู้แน่นๆก่อนนะ แต่ว่าถ้าพูดให้ถูกต้องตามหลักก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเท่าเทียมกันนะผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถปฏิบัติจนจบสายด้วยอันใดอันหนึ่งเนะนี่ยมีคำพีตั้งแต่ชั้นพระใจปิดกรองรับเลยนะอย่างผู้ที่ทำกายานุปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์พระอานนท์ แต่ทั้งคืนสุดท้ายก็ทำกายากายากายานุปัสนาคูเหยียดเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไปท่านมีความรู้สึกอยู่พอมีความรู้สึกอยู่ความปรุงแต่งไม่มีสังเกตไหมเวลาเราเผลอเวลาเราใจลอยแล้วพอเรารู้ว่าใจลอยเนี่นะเรื่องที่ใจลอยหายหมดเลยดับหมดเลยความปรุงแต่งจะขาดหมดเลยทันทีที่เกิดสติเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสติปัดความปรุงแต่งขาด แต่การมีสติท่านใช้กายเป็นตัวกระตุ้นเช่นท่านเคลื่อนไหวเนี่ท่านคอยรู้สึกไปนะยืนเดินนั่งนอนนี่ยท่านรู้สึกพอรู้สึกตัวไม่เผลอไม่หลงความปรุงแต่งก็ขาดความปรุงแต่งไม่มีเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้อย่ว่าแต่อกุศลเกิดไม่ได้แตกุศลยังเกิดไม่ได้เลยพอไม่เผลอสัอย่างไม่มีอวิชชาไม่มีความหลงสักอย่างนะสังขารไม่มีสังขารมีทั้งสามอย่างนะ สังขาดที่เป็นบุญที่เป็นบาปนะที่เป็นฌานสมาบัติอันพวกนี้เป็นลูกของวิชาของความหลงหมดเลยเพราะงั้นพอท่านมีสติปุ๊บความหลงขาดจิตพ้นความปรุงแปงพ้นไปพ้นไปในที่สุดท่านไปเห็นท่านไปประจับชัดถึงสภาวะที่พ้นความปร่งแปลนั่นคือตัวนิพพานในการบรรลุมรรคผลก็เกิดขึ้น เพราะงั้นการบรรลุมรรคผลเนี่ยเกิดจากการที่จิตมันสามารถพ้นความปรุงแต่งได้ด้วยสติสัมปชัญญารู้ท่านความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งขาดนะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเรื่องร่างกายผมคนเล็บผนังนั่นคิดไปด้วยนะคิดทั้งวันไม่ขาดหรอกนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะงั้นอย่างบางท่า น, าา น, นาาาเนี่ยพระอานุ์พระมหากรุสปะเนี่ยทํากายานุศาสนานะบรรลุพระอรหรันต ท่านภาษาลิบุตรทำเวทนานุปัสสนาวนุภาพอรหันต์เรามักเคคิดว่าภาษาลิบุตรฉลาดต่องทาธรรมานุปัสสนานี่มแต่ท่านบอกธรรมานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนานี่มีค่าเท่ากันคือเป็นของพวกพวกธาตุเวทนากายเวทนาเนี่ยพวกปัญหาจลิตถ้ากายนี้ก็พวกที่ปัญญีสีคือปัญญาอ่อนหน่อยพวกเวทนาเนี่ยปัญญีสีกล้าอย่างพภาษาริบุตรทําเวทนานปันยินีกล้า ก็ขาดไปเลยแล้วแตกฉานนี่อย่างพว ก, กจิตตาพนุปรัชนาอย่างท่านอนิรุธทธะท่านอนิรุทธนั่งดูจิตไปอันนี้จะเป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตจะทําจิตจะทำท่านนั่งดูโลกธาตุตั้งขันมีทิพจักตุดูไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปถามพระสารีบุตรบอก ท่านพูดจเจริญกับผมเนี่ยมีที่ประจักษ์สูงที่เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเฝ้าดูโลกกชาติตั้งพันธ์ที่มันเกิดดับเฝ้าดูความเกิดดับของโลกกาติทั้งหลายเนี่ยแต่ทำไมผมไม่บร ร, รหลุมพระอรหันต์สักทีถ้าสาริบุตรก็แยกแย้ให้ท่านฟังนี่เป็นวิชาดูจิตล้นลวนๆเ่ย การที่ท่านคิดว่าท่านมีทิพยจักษุเลือดพระเทวดาและมนุษย์เนั่นคือความถือตัวงท่านคือกิเลส ท, ที่เรียกว่ามานะของท่านการที่ท่านเที่ยวสงย่งจิตออกนอกดูเทวดามารณ์รงก็งเกิดก็ตายตงทงกันโรคธาตุเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของท่านคืออุท ธ, ธัจจะอุท ธ, ธัจจะไม่ใช่ปัญญาเราคิดว่าปัญญาเนี่ยต้องค้นกล้าออกไปมากมายตรงนี้คืออุท ธ, ธัจจะ ปัญญามีหน้าที่ตัดทำลายประหารแล้วบอกการที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่บรรลุสทตินั่นคือความหงุนหงิดใจของท่านนี่กุดขุดจะักบอกท่านจงละทำสามประการนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระุอรหันต์ท่านก็มาเฝ้าดูลงไปนะได้เห็นมานะดับไปเห็นขุดขัดจกัจกขุดขุดจะดับไป น้อมจิตไปสั่วมัฏฐธาตุทำยังไงนะรู้เท่าทันความปรุงแต่งทั้งหลายจิตพ้นจากความปรุงแต่งด้วยการรู้เท่าทันนั้นเองสภาวะที่พน้นความปรุงแต่งนั้นแหละที่เรียกว่ามัฏธาตุไม่ว่านิพพานเนะี่ยจิต ท, ท่านก็เข้าใจนะก็บรรลุพอจิตตานุปัสสนาอย่างท่านถ้ากลนทัญญะใช่ไหมท่านปังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณ เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขอางตะโกนทัญยนะชะดินสามพี่น้องแตนะ่ท่านฟังอธิษฐานปริ ย, ยัตสูตรนะตาเปนของร้อนหูเป็นของร้อนนี่ฟังเรื่องอายตนนะนี่เหล่านี้เป็นธรร ม, มานุปัสสนาะ้ท่านไม่ได้ทํำข้อมไปข้อมมานะแต่ว่าท่านทํากายเพื่อให้มีสติพอมีสติความปรุงแต่งดับ ทำเวทนาก็ <S <S าเพื่อสิ่งเดียวกันให้มีสติพอมีส ต, ต, สติความปรุงแต่งก็ดับจิตก็พ้นความปรุงแต่งตอย่างที่ที่ที่เนจิมาตอนี้แะใช้จิตามมาตลอดี่่านีนลีได้จะพัฒนามาเรื่อยๆแลก็คือรักษาคามกลางขอิได้มากขึ้นและมาก พอมันจะส่งออกเปในทางวินัยและความรู้พันแล้วมันก็เิดการไยความเป็น <c oughs> กลงอันนี้คือผลจากจากการทาจิตพลาดนะคะพวกมันก็น้อยลงแล้วก็หมดเร็วขึ้น <c oughs> แต่ผลจากการมาซึ่งจะมาดูดใจถึงไม้กในในในี่เดนะือนเนี่ะมันได้ผ <c oughs> ลอีกอย่างนค่ะมันก็จ ะ, ะิมีผลอีกอย่างหนึ่ง วันไหนทีเราเคยได้ไปกืนเราจับม อ, องเขาาเป็นสม บ, บูรณ<อ>ว่า้วเป็นจิตสมเป็นสมบูรณด้ยังแบบนี้ค่ะฉะนั้ก็เอ๊ะตัวเองกจะเป็นทั้งิ่งีบทั้งปั่นาเล่นที่ทท <c oughs> ทสองตาเล่นอะไรก็ได้นะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเนี้ยเราต้องมีจิตที่เป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางจริงๆนะจิตจะต้องตั้งมั่นอตมาไม่อยากใช้เําว่ายอยู่บนฐาน วัฏฐานเนี่ยไม่จะเป็นขับนี้ให้เราเข้าใจผิดนะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ความจริงแล้วถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นพอเนะยังเคลื่อนอยูนะ่จิตยังเคลื่อนอยู่อย่างเรารู้สมมติเรารู้กระป๋องเนี่ยอจิตเราเคลื่อนอยู่กับกระป๋องนะเรารู้ได้ยินเสียงจิตเราเคลื่อนไปกับเสียงแตนะ่จิตยังขาดความตั้งมั่นขาดตัวสัมมาสมาธิ แต่ราบใดที่จิตยังขาดความตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสังฐานของเขาอย่างแท้จริงเนี่ยตัวปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะปัญญาตัวแท้เนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นอย่างเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเนี่ยถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูสังเกตเนี่ยมันจะเหมือนเรายังติดอยู่ที่ขอบยังติดอยู่ที่เปลือกอาจารย์สังเกตแม้ว่ามันเข้ามาไม่ถึงเข้ามาไม่ถึงข้างในอันนี้ดูออกไหม มันยังติดที่เปลือยอยู่งั้นตัวเนียที่เรียกว่ากําลังของเรายังไม่พอที่จะตั้งมั่นถ้าทะลุตรงนี้เข้ามาตั้งมั่นไม่ได้ยังเดินมีปัิศนาแทนไม่ได้ไ<ม>ไถ้าถ้าเราเข้าใจต้องใช้ถ้าใช้กวาเข้าใจนะอาจารย์จะงง่ายนะ ถ้าทําความเข้าใจก็คืออันนั้นก็ธรรมชาติที่ถูกรู้อ่นหนึง่งที่เท่าเทียมกันนีนะ้สองอันนี้เท่าเทียมกันในสุดเราจะจับธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางขึ้นมาได้นะคือตราบใดที่จิตยังไม่เข้าถึงฐานแห่งความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยยังเดินปัญญาแท้ๆไม่ไดนะ้อาการที่เหมือนจะระเบิด อ, อะไรเนี้่เป็นอาการของสมรรถะนะอย่างอานีนั่งดูนะเห็นปุ๋ยึ่งระเบิดเรื่องแต่ นะเหมือนอย่างหลวงพ่อชาประวัติท่านระเบิดสามครั้งต่อกันนะนั่นไม่ใช่บรรลุมรควนนะที่บรรลุมรคผลท่านไม่มาเขียนให้อ่านอันนั้นเป็นอาการหกสมบัตนะิงั้นทํำยังไงเราจะเข้ามาให้ถึงฐานของความรู้สึกตัวที่แท้จริงเนะี่ยอย่างนี้ยังตอนนี้ยังเข้ามาได้ลึกกว่าเม่อกีนะ้พอสังเกตอห็นไหมความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมา มันใสขึ้นแต่ว่าการที่ถอยเข้ามาเนี่ยถ้ายังรู้สึกเกรงเกรงนิดนึงนะแสดงว่ายังตั้งใจทําอยู่ะยังไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงเนี่ยจะไม่เกรงมันกำลังดูเพราะว่ามันรู้ตัวถึงในตัวกันเราถือว่าตอนนี้ยมันกังดูดีเพราะว่าใครแต่แก่งแต่ที่วานเน่รู้สึกความรู้ตัวมากขึ้นแต่บางทีมันมีทําเก่งบังทีมีคาตั้งใจทีออืทำ มาช่วงไหนที่มันมันมีเป็นรมชหนเหมนกันแต่มันก็ยังมีความเป่เกมาตกลไปด <c oughs> ้รู้ทันเนาะไข้ ร, รู้ทันไปตัวนี้ตัวสาคัญไม่อ่างนี้อาจารย์ตรงนี้คือตัวจริงไม่ได้เจตนานะสติที่เกิดโดยเจตนาให้มีสติไม่ใช่ของจริงเนตาตั้งแต่หนึงต้องฟนะุกต้องเกิด พอมีสัญญาเจตนาหมายความมีความจงใจทางใจให้มานะเกิดการกระทํากรรมทันทีเลยเรียกว่ากรรมฐานทันทีที่เก <im ité> <im it> ิดการกระทําก็เกิดผู้กระทําเมื่อมีผู้กระทําก็มีผู้เป็นทุกข์มีการกระทําด้วยโลภะจงใจกระทําเนี่ยมีโลภะซ่อนอยู่ความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยสังเกตไหมว่าหายใจทั้งวันยไม่เหนื่อยกําหนดลมหายใจเหนื่อยแทบตายเลยทำไมถึงเหนื่อย เพราะมันมีโลภะนะทันทีที่มีตัณหาตัณหากับโลภะอันเดียวกันนะทันทีที่มีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นนะเอาล่ะต่อไปนี้นั่งปฏิบัติหายใจโอ้ทุกข์แทบตายแล้วนะจะเดินจงกรมเดินช็อปปิ้งสามชั่วโมงไม่เป็นไรเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงจะตายแะ้วนะมันทำได้โลภะความทุกข์จะเกิด เห็นไหมว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยเจือเรื่อัญหาแลนะทิฏฐิมีความเป็นวัาธรรมอย่างนี้ดีกนะารทราบไหมใจใจทางน้นนะนั่นไงใจไปที่เขาไงนะเนื่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทิตเดี๋ยวเขาหยิบไนะ <laughs> มไ้ เดี๋ยวใครอบอกเงื่อนไขซื้อจัด ต, ตัวตนเองใครยังไม่มีก็ไปขอได้คนละเร่ม <c oughs> มีหมดต้องจับหลักให้ได้นะจับให้แน่นเห็นจิมั้ยจิตของเราตอนนี้วอกแวกวอกแวกดูออกไหมจะรู้ทันว่าวอกแวกนี่ปฏิบัติแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมว่าไม่รู้ว่าง่ายหรือ ย, ยากอะ่ะ ม, มันจะบอกว่ายากก็ไม่เห็นทําอะไรทำไมมันจะยากจะบอกว่าง่ายเหรอราก็ชอบเผลอเราเผลอไปทางตาอย่างเราเห็นเ้าทําอะไรเราก็ใจไปอยู่ที่เขาดูออกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจไปอยู่ที่เขานี่เรียกหลงไปทางตาการหลงไปทางตาจิตพยานทางตาเนี่ยเรียกว่ามีรูปปัญหาแล้วเราเคยเรียนเรื่องปัญหาสามตัวใช่ไหมวิทยากรทั้งหลาย จนะรู้จักใช่ไหมการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะว่าตัณหาใครไม่รู้จักมีไหมเอาเอ า, อ า, อารวมว่าไม่มีนะตัณหาสามตัวนี้ไม่ได้เรียนไปทำนิพพสนานะนิพพานาเรียนตัณหาหกนะีรูปปตัตนหาจิตที่ทยานไปทางรูปไปเกาะรูปไปทางตานะีสัตว์ตัณหาหลงไปทางเสียงเนี่ยั น, ะนตัณหาจิตอยากทยานไปทางจมูกไปดมกลิ่ แล้วสัตันหาหลงไปทางลิ้นปวดทับสตัตวันหาแล้วหลงไปทางใจแล้วก็ทํำมาตัญหาี่ยชื่อเพราะชื่อชื่อธรรมตันหาหลงไปทางใจหลงทางใจนี้ทําได้สารพัดนะนั่งเพ่งก็ได้ที่นั่งเพ่งที่อาจจะมาเริ่มพูดบอกพวกเราชอบนั่งเพ่งชาววัดนั่งเพ่งเนี่ยมีธรรมตันหาหลงเข้าไปข้างในเอ ปัญหาหกตัวหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงอะไรอย่าให้เกิดตัญหาหกตัวนี้โดยไม่รู้ทันนะจิตเกิดตัญหาหกตัวนี้คือทะยานออกตาหูจมูกลิ้นใจใจให้รู้ทันมันนะเพราะเราจะต้องรู้ทุกแล้วก็ละสมุทัยให้ได้รู้ทุกคืออะไรรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผล่สภาธรรมารมที่ปรากฏนะโดยละสมุทัยจิตไม่หลงเข้าไป ไม่อินเข้าไปอย่างดูดูละครสังเกบไหมจิตหลงเข้าไปในโทรทัตพัฒน์นีดูแล้วมันถ้าถ้าดูแล้วไม่หลงก็ไม่มาอีกแล้วสิบางคนเสียงอ่านนะขอ้นเดี๋ยวใครไม่มีนะักสือก็ไปขอได้